50 languages. m b a t u n d u a n u p r 1 a d a k y a a yendu u n d n g u n g n i a g า d Ja. Di. k u ้ n Bahu Shah. Nale huttige. เขเปอุตตมวากบหุดูคุณทราบได้อย่างไรทีมาเกอดูเหเกกุตตุดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นอดูอุตตมวากุตเตเดย็นดูนัมบิดเดเนเขาต้องมาแน่อาวนนู้ันดิตาวากีบรุตตานแน่หรือ ขจิตว่ากี่ดิฉันรู้ว่าเขาจะมาเอ า, านุบรุตตานีเย็นดูนั่นเ ก, กี่ยกุตุเขาโทรมาแน่อาโนุขนดิตวากิวอฟอนมาดุตตานี่จริงหรือนี่จว่ากี่ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา อวนู้นโทรศัพมาดุตานะยินดูบ้าวิสุทธ์เตนีวายมันเก่าแน่แน่วน์ขจิตาวงีูหลยดูคุณรู้แน่หรือนิมเกออดูขันดีตาโกตเตดิฉันคิดว่ามันเก่าอาดูฮลัยดดูย็นดูนานูอันุูโคลดุเตนี หัวหน้าของเราดูดีมากน้ำะเมล์ธิดาคาริชินนากิกุตะคุณคิดอย่างนั้นไหมนี่มันเกี่ยห่าอสุดตเดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวอาวะตุมบาชินนากิการิุตตยินดคลุตเหัวหน้ามีแฟนแล้วแน่แ่ เมลธิการิกลูงอบบายเสน่หิตยันโนหันดิดดารเคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือนีบุอันนูนับุตีระเป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้วอขารู้อบบายเสน่หิตยันโนหันดิดดารเอยมบาสานเทเตหชากิเด